เลสคอตส์ออนเรดิโอช่วงกาชาตินิวส์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขาช่วงกาชาตินิวส์นะคะวันนี้มีข่าวผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในายแพทย์อมรพานเสรีมัดพันนะคะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพยทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่นำผลงานวิจัยของไทยไปสร้างชื่อในเวทีระดับโลกถึงสองผลงานด้วยกันค่ะได้แก่งานวิจัยผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสไลด์ไขมันที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองจากการประกวดในงาน Seoul International Invention Fair นะคะ twenty eighteen ค่ะนับ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีค่ะและงานวิจัยผลิตภัณฑ์เซรั่มฟื้นฟูผิวจากสาศาสตร์สกัดน้ำนมเหลืองที่ควารางวัลเหรียญทองแดงนะคะจากงาน The Forty Seventh International Exhibition In of Invention Geneva นานาคอนเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิตซ์ค่ะ งานวิจัยผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสลายไขยมัน nano lipophilic remover and tightening plas นะคะเป็นการวิจัยภายใต้การดำเนินการของหน่วยวิจัยนาโนทางการแพทย์ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยการนำยาลดไขมันค่ะไปใส่ไวในรูปแบบนาโนเทคโนโลยีที่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ทำให้ยาลดไขมันที่อยู่ในรูปแบบของยารับประทานเปลี่ยนเป็นายาชนิดแผ่นแปะค่ะซึ่งมีประสิทธิภาพเข้าไปสลายไขยมันใต้ผิวหนัง ได้อย่างตรงจุดค่ะ ส่วนงานวิจัยผลิตภัณฑ์เซรั่มฟื้นฟูผิวจากสารสกัดน้ำนมเหลืองเป็นสารสกัดจากน้ำนมในสัปดาห์แรกของแม่โคหลังคลอดเป็นน้ำนมที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มคอลลาเจนลดอนุมูลอิสระลดความเป็นพิษและการตายของเซลล์อีกทั้งยังมีเปปไทด์สายสั้นที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตได้สูงมากค่ะสำหรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำนมเหลืองมาก่อนนะคะซึ่งหากสำเร็จก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการ การเกษตรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมดได้อย่างมาหาศาลเลยค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะผลิตภัณฑ์เซรัล่ามฟื้นฟูผิวจากสารสกัดน้ำนมเหลืองได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกความตกลงนะคะ MOU ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การส่งเสริมกิจการโค น, นมแห่งประเทศไทยในการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะจากโคนมในอนาคตค่ะคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะคะเช่นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยา อาหารเสริมเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตค่ะ อีกหนึ่งข่าวค่ะสำหรับผู้ที่มาติดต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจะดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขหรือ EXOBD ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นต้นไปทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการจราจรหรือว่าประตรูเข้าออกนะคะโดยใช้ประตูหนึ่งหรือประตูหกเพื่อมาติดต่ อ, อยังอาคารพปรและใช้ประตูสองหรือว่าประตูสี่เพื่อเดินทางออกจากโรงพยาบาลค่ะและจุด รับส่งผู้ป่วยอาคารพอประรอก็คือหน้าห้องฉุกเฉ่นเก่านะคะย้ายมาอย่างบริเวณลานหงกระจงค่ะสอบทำรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอรทิร์ธุรษัพท์02256 50000ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสนทนาวรอบลัวค่ะรายการ Rescord All Radio สนับสนุนรายการโดยสำนักษารณิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาวุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม メジャーズドワンプラーネサイターテンメイカイトンヘイカムワシャンプラーテンロットノイロンダイレイサクワンコピンテミールワクライユトンニコピンミーサクワンワクイテミール キャナンゴーゲンポーヘイコンヤンシャンファンディインガキューナイメイワベンティトライコンターテゴキューティ バンバンヘシャンバンリプบー。 だいぶだいぶこんに キャンプにしてもらうことはนいです。าใค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 キャディーンはサーンいンバウンバウン。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 ในช่วงสนทนารับรู้วันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ฟังนะคะสังเกตปุ่นปั้นด้านบนของเสารประตูทางเข้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสภาการชาติไทยกันค่ะ หากคุณผู้ฟังนะคะเคยเดินทางมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสุราษฎร์กรดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งถนนพระรามที่สี่ถนนอังรีดูนงังหรือถนนราชดมรีคุณผู้ฟังเคยมองขึ้นไปที่ด้านบนของเสารประตูทางเข้าของโรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าคะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสวยและคลาสสิกอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเสาเหล่านี้ค่ะยังมีที่มาที่ไปและเป็นสลีมงค์คนอีกด้วยนะคะวันนี้ดิฉันและคุณฉเฉลิมรัตน์ค่ะ จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับอีกหนึ่งของงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อกำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะ หากคุณผู้ฟังสังเกตตามที่คุณเฉลตางบอกนะคะก็จะเห็นปูนปั้นตราพระบรมาพิไทยยอดเจปรอพร้อมประดับพวงมาลัยระยะลงมาทั้งสองข้างอย่างประณีตงดงามที่อยู่ด้านบนของเสาวประตูทางเข้าโรงพยาบาลฝั่งถนนอังรีดูนังถนนพระรามที่สี่และถนนราชดมริกค่ะผูพ้ดช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ถนอมบรรณประเสริฐฝ่ายโสตศานาสิกวิทยาโรงพย า, พยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความพิเศษของปูนปั้น ตราพระปรมาภิไทยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสาประตูทางเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพระปรมาภิไทยย่อจปรเป็นพระปรมาภิไทยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาห์จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเท่านั้นนะคะจึงจะอัญเชิญมาประดับได้และหากจะอัญเชิญมาประดับตราสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่มีอักษรพระปรมาภิไทยย่อจปรก็มักจะมีการดัดแปลงให้เป็นสัญลักษณ ลักษ์ของสถานที่นั้นๆเช่นตราสั ญ, ญลักษ์ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรัสดิ์ทิราชสภากาชาดไทยค่ะแต่หากไม่มีการดัดแปลงใดๆนะคะก็จะถูกจารึกลงในสิ่งก่อสร้างซึ่งมีเพียงสะพานชุดเฉลิมเช่นสะพานเฉลิมล่าและสะพานเฉลิมพันเป็นสะพานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีค่ะ ส่วนการอัญเชิญตราพระบระม毗ทยยอดเจปรรอมาประดับไว้ที่เสาประตูรอบทางเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนั้นเป็นการแสดงว่าอาณาบริเวณของโรงพยาบาลจุฬาลงกรคืออาณาเขตของพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาฮ์จุฬาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก็ได้ยวรับคำตอบว่าไม่เคยพบเห็นการอัญเชิญตราพระบระม毗ทยยอดเจปรรอมาประดิษฐ์ บนเสาประตูกรรมแพงขอสถานที่รัชการแห่งใดเว้นแต่มีประดิศฐานบนสภาญที่พระพุทธเจ้าหลวงส่งพระกรุณาปวดกล้าปวดกระม่อมให้สร้างขึ้นค่ะ ส่วนโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่มีปรากฏมีเฉพาะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นค่ะและสำหรับเสาวประตูทางเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทั้งหมด10เสาได้แก่ปูนปั้นตาพัพประมาพิไทยเสาวประตูทางด้านถนนอังรีดูนางังเสาวประตูทางด้านถนนราชดมรีเสาประตูท่านผู้หญิงตลับพระยาเจ้าพระยาอมราชและเสาประตูเจ้าพระยาอมราชค่ะ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 เทินที่วิทยายลัยการแพร์ขันไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชชั่วโมงคนฮัญญิบุรีติดต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโท025921999レสคอร์ตออนเรดีโอช่วงความรู้ผู้สุขภาพ ช่วงความรู้คุณสุขภาพวันนี้ค่ะมีความรู้เรื่องโรคตุ่มน้ำพองค่ะที่คุณวินัยไกรบุตรดารานักแสดงที่เป็นที่รู้จักกันดีร่วมถแถลงข่าวการรักษาอาการป่วยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ผ่านมาณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ ซึ่งศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประวิตรอัศวานนท์หัวหน้าสาขาวิชาตดจากวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังว่ามีจำนวนหลายพันโรคเลยทีเดียวค่ะเพราะผิวหนังนั้นเป็นอวัยวะที่อยู่ภายนอกเมื่อเกิดผื่นตุ่มฝีหรือว่ามีร่องรอยต่างๆมาจะเห็นได้ง่ายทำให้มีการตั้งชื่อโรคผิวหนังต่างๆมากมายอย่างที่คุณ เมกวินในไกรบุตรเป็นนั้นคือเพมฟิกอยด์ค่ะชื่ออาจไม่ค่อยคุ้นหูกันมากนักสำหรับคนไทยจึงทำให้เข้าใจว่าเป็นโรคใหม่ทั้งทางๆที่มีมานานแล้วค่ะเกิดจากการที่ร่างกายทำงานผิดปกติระบบอื่นๆในร่างกายเข้ามาจัด ก, การควบคุมดูแลกันเองทำให้ไม่มีอาการแสดงออกมาจึงทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวบางครั้งภูมิต้านทานกลับมาทำอันตรายกับอวัยวะของตัวเองทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองขึ้นค่ะ ในส่วนของโรคตุ่มน้ำพองนะคะเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังพบได้ไม่บ่อยแต่ก็ไม่ใช่โรคที่หายยากค่ะสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่มาทำลายโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยึดเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวหนังหลุดออกจากกันกลายเป็นตุ่มน้ำและแผลถลอกมีสองกลุ่มนะคะได้แก่โรคแพฟิกัสและโรคแพฟิกอยค่ะ โรคเพมฟิกัสเกิดจากความผิดปกติที่ชั้นผิวหนังกำพ้าจะเกิดในผิวหนังชั้นตื้นกว่าแต่อาจกินบริเวณกว้างผู้ป่วยมีแผลเหมือนถูกน้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้างส่วนใหญ่ค่ะมักมีแผลถลอกในช่องปากร่วมด้วยมีอาการเจ็บและอาจพบแผลถลอกที่เยื่อบุบริเวณอื่นเช่นทั้งเดิอนหายใจเยื่อบุช่องคลอดและอวัยวะเพศนะคะที่ผิวหนังมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำแตกได้ง่ายกลายเป็นแผลถลอกมีอาการปวดแสบมาก เมื่อแผลหายมักทิ้งรอยดำโดยที่ไม่เป็นแผลเป็นค่ะส่วนโรคเพลฟิกอยที่คุณวินัยเป็นนั้นนะคะพบได้บ่อยกว่าโรคเพลฟิกัสเกิดจากมีการหลุดลอกของชั้นหนังกำพร้าออกจากชั้นหนังแท้จะเกิดการแยกชั้นของผิวหนังที่ลึกกว่ากลิ่นบริเวณไม่กว้างมากนักผู้ป่วยมักมาด้วยอาการผื่นแดงขัดนำมาก่อนค่ะต่อมาเริ่มมีตุ่มน้ำใสขนาดต่างกันโดยตุ่มน้ำมีลักษณะพองแตกยากหรือว่าอาจแตกออกเป็นแผลถลอกและมักไม่เจ็บค่ะ ยาที่ใช้รักษาเป็นหลักนะคะก็คือยาคอติโคสเตอรอยค่ะและยากดภูมิคุ้มกันหากอาการไม่รุนแรงนะคะอาจใช้ยาทาคอติโคสเตอรอยหรือว่ายากลุ่มที่ไม่ใช่ยากดภูมิคุ้มกันหากมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอาจจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยค่ะ โรคนี้มีการเดำเนินของโรคค่อนข้างเรื้อรังเป็นเวลาหลายเดือนหรือว่าหลายปีนะคะหลังจากโรคสงบแล้วอาจเป็นซ้ำได้อีกค่ะสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวก็คือทำความสะอาดร่างกายสม่ำเสมอบริเวณที่เป็นแผลให้ใช้น้ำเกลือทำความสะอาดไม่แกะเกาพืน้นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อผู้ป่วยที่มีแผลในปากก็ควรงดอาหารรสจัดอาหารที่แข็งนะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดหรือว่าคับหลีกเลี่ยงแสงแดดและความเครียดค่ะ พูดป่วยนะคะจะต้องมารักษาอย่างต่อเนื่องตามแพทยักขอยางทห์ políticas ทานยาต่อเนื่องไม่ควรลดหรือนอากเทิ้มยาเองค่ะและดูแลรักษาแผ ens อย่างถูกวิธีจะช่วยให้โรกตั questions далеенее delivering ทำให้สามารถดำรรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปและไม่มีรอยโรก MAND ต lev ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นโรคตุ่มน้ำพองนะคะให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ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 マキンゴアライトヘンダイオルテゲンコンペンガテメイミワンテプラルノイルンパイダンウェイラーテンメブンフランシュウィットンチョウライクランタコンメイケタンヘイオラプルプリンランパー よくないプリン。Young,